เราจะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ท่านกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยูงตีกันพอใจมัยูงชกกันยุ่งอยู่งั้นไม่มีเวลาสงบยุงบ่งเปนตลอดเวลาอย่างยุ่งเหมือนยุงตีกันยูงชกกันจิตของท่านผู้บริสุทธิ์ ถ้ า, าจะเทียบก็เหมือนกับน้ํานึ่งที่ใส่สะอาดเต็มที่แล้วนึ่งนี่เพียงเป็นข้อเทียบเคียงแต่จิตนั่นมันไม่เหมือนน้ําพบไม่ใช่ด้านวัตถุแต่ก่อนเคยเป็นจิตสภาหยุงเหมือนกันกับพวกเราเนจิตของทุกคนต้องเป็นสภาหยุงชกกันอยู่ต่อยกันอยู่ตลอดเวลา มันมีกรรมการจะมาตัดสินไมนมีกรรมการได้จะมาแยกออกทันกันตรงนะั้นตลอดเวลากรรมการก็ขึ้นเวทีเขายัางมีนอกมือก็คือชกกันบนเวทีเขายังมีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแต่สภาจิตประภายุงเรานี่มัน ไม่มีใครแยกใครเพราะต่างคนต่างอยู่บนเวทีสภายุงเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยล้มดุกุู่คันก็อยู่บนเวทีทังนแหลไม่ทราบใครจะแยกใครเวลาจะมีผู้ไปแยกก็ไม่อยากให้แยกทำไมจึงมีผู้จะไปแยกออกก็ไม่อยากให้แยก พอธรรมดาอมวยยุงสภายุงนี่นั่นก็เหมือนยังครูว า, าจารย์รธรรมะต่างๆที่ท่านเทศสอนเนี่ยไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟังเนี่ยคือไม่อยากแยกเพือ่อนยางไงไม่อยากแยกมันตะลุมบอลกันอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืน รับตื่นลืมตาอะไรก็ตามยุ่งขนาดไหนจนขนาดน้ําตาก็ล่วงไปด้วยมันก็ยังพันอยู่นั้นไม่ยอมให้ใครแยกงคือไม่ยอมเทียบอัดเทียบทำไม่ยอมเทียบเหตุเทียบผลความผิดถูกดีชั่วผลเป็นมาอย่างไงไงบั่งจึงได้มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ยอมไปคิดไปอ่านแล้วไม่ยอมฟังใครนอกจาก ชนมุนอู่กับความยุ่งของตัวเองความเดือดร้อนบุบบายของตัวเองซึ่งเกิดอยู่ภายในใจโดยเฉพาะเฉพาะเงื่อไม่ชอบให้ใครยุ่งไม่ชอบให้ใครไปแยกผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์พระสงฆ์สาวกอรหรันหันแย ก, กออกด้วยเหตุด้วยกดเมื่ออัดด้วยธรรมแต่จิตไม่ชอบธรรมนาจิต สภาอยุงนี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผลมันเป็นอย่างนั้นมันจึงหาความสุขไม่เจอเมื่อมั น, นยุ่งกันอยู่ตราบใดความสุขก็มัมีทางที่จะเกิดขึ้นอยู่ตราบนั้นกี่ปีกี่เดือนก็ตามมันก็เป็นสภาพที่มันเคยเป็น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 ตามธรรมดาการปฏิบัติการฝึงหัดดัดแปลงคือการฝึกทรมานจิตใจนิ้วขวิดีบังคับจิตแม้มันคิดแปลนที่ต่างๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลําบากก็เรียกว่างานอันหนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทําแ่าจะมีความลําบากระบ น, นอย่างไรเราก็ทํานี่ผู้ผู้อบรมธรรมะย่อมเป็นผู้หนักทางเหตุผลเหตุผลว่าอย่างไรก็ต้องพยายามตามนั้นแม้จะยากลําบากก็ทนเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลได้แต่เชื่อทํา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 ก่อให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อกันมากเพียงนั้นมนุษย์เรามีมากมันต่างจากสัตว์ที่มีจำนวนมากเพราะมนุษย์เราฉลาดแต่ฉลาดเพื่อการปดเปลื้องทุกข์ฉลาดในการเห็นอกเห็นใจกันเที่ยงเทียงเหตุผลโลกก็มีความสะดวกสบายแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะมีมากเพียงอไรก็ตามก็จะยกเราให้เป็นหนึ่งเสมอการเข้าตัวนี้เป็นที่หนึ่ง การเข้าตัวมีมากการเห็นคุณค่างคนอื่นก็มีน้อยนอกจากจะเห็นคุณค่างตัวเองเท่านั้นทั้งๆที่อาศัยเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันคุณค่าทั้งหมดก็มาเข้าตัวเองเสียทั้งหมดเนี่ยเรื่องของมนุษย์ที่เกิดความดดร้อนอยู่ทุกวันหรือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เพราะเห็นนี้เองรวมแล้วก็เรื่องของกิเลสมันจะเรื่องอื่นใดทานผู้ปฏิบัติธรรมะ จึงต้องแยกทีนี่เป็นมวยก็แยกแล้วที่นี่สมมุติว่าเป็นสภายุงเราก็พยายามแยกแยกจิตท่องเราโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งระหว่างขันกับจิตที่มีเกิดความทุกข์ความลําบากในที่จุดใดตรงไหนแต่ก่อนที่เราไม่เคยพินิจพิจารณาก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นภายในจิตเพราะสิ่งนั้นผิดปกติไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นแม้เป็นขึ้นมาแล้วก็อยากให้หาย ความอยากทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของตัญหาอืคือความบกพร่องมันหิวมันโหยมันอยากตลอดเวลาแต่อยางในทางที่ผิดอยากเพียงใดก็มากเพียงใดก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความหิวขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความหิวก็คือความทุกข์ถู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นโดยปราศจากเหตุผลควรจะแก้ไขดัดแปลงยังไง ด้วยหยุดด้วยยาหรือด้วยอัดด้วยทำเราก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลนั้นควรจะฉีดยาก็ฉีดควรจะรับทานยาก็รับทานควรจะยังไงก็ทําไปแต่ระวังทางปรารกิตใจของเราไม่ไปยุ่งจนเกินเหตุเกินผลจนกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาภารกิจใจยิ่งเป็นของที่หนักมากหรือเป็นความความทุกข์มากยิ่งกว่าโรคทางกายเกิดขึ้นเขาทุกข์ทางใจเป็นเป็นทุกข์ทัเป็นทุกข์นกหนักทุกข์ทางใจนี่เกิดเพร้องาน้า้อมที่เละ ทุกทางร่างกายเป็นเพราะความแปรปรวนของธาตุผิดปกติของท่าตมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ทุกทางใจนี้ร้อยทั้งร้อยมันเกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นแล้วผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้เหตุผลอันใดเจ็บกุที่ตรงไหนก็พิจารณาแก้ไขไปไปตามเรื่องแต่ให้ทราบว่านั่นคือคือเป็นอันหนึ่ง่หรือว่าเป็นสมบัติของเราที่เราได้อาศาัยเท้า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 ลักษณะต่างๆก็ทราบว่าวถ้าขันนี่มันแปรปรวนของมันแต่ใจยอย่าให้แปรปรวนไปตามมันเพราะใจไม่มีโรคชนิดนั้นเนี่ยยะหาเรื่องโรคคืออารมณ์ที่เกี่ยวกับร่างกายแปรปรวนนั้นเข้ามาแทรกสินตัวเองนี่มาเสียดแทงตัวเองให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโรคภายในใจเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติตัวตัวเองปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่เือดร้อนวุ่นวาย มีความสม่ำเส ม, มออยู่พันนาจิตเรื่องความตานั้นหมอกให้ถาดให้ขันไปเสียเรื่องความเป็นอยู่ของขันกับหมอกให้เขาเป็นอยู่ธรรมดาเป็นอยู่เพื่อจะไปมีความแปลจากธาตตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ไม่มีว่ากลางวันกลางคืนเดิอเดินนั่งนอนแปล่อย่างนั้นแตเมื่อแปลไปมากมันก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นใหเราทราบกั็นว่าทุกระยะจึงเรียกว่า เรียนกรรมฐานทำงานกรรมนับลว่าการกระทำฐานะคือที่นี่ทำงานในภายในกายในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรู้พบรู้ชาติรู้กิเลสคัญหาอาสวะจะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่ที่งานเนี่ยคือกรรมฐานาหรับเจสาลุมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งล่านี้ ผมมันก็ว่าเป็นตนเสียเส้นดำดำยาวยาหรือขาวขวยาวยาวก็ว่าเป็นตนเสียอะไรมีอยู่ในนี้ถือว่าเป็นตนทั้งหมดผมก็ว่าเป็นตนผนเล็บฟันก <to> <to> ็ว <headline>. <ada> ่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสกปรกโสมมขนาดไหนเต็มอยู่ภายในร่างกายก็ว่าเป็นตนไยเสียเพราะนั้นตนของเราจึงเต็มเพรด้วยสิ่งสกปรกโสมงเมื่อสิ่งสกระปกสมมมาเป็นตัวของเรา แล้วเราจะหาความสะอาดทางพนาจิตใจได้อย่างไรเพื่อความสะอาดพนาจิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่สโปรกโสมมมเหล่านี้เป็นปุ๋ยคือพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งแจ้งชัดเจนไปโดยลําดับนี่กองอันนี้จางกองทุกขังกองอนัตตาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นแตเพียวงว่าอาศัยการชั่วรยระยะการเท่า น, านั้นพอถึงการผ่านไปของเขาเนี่เรียกว่าเรียน เรียกว่าผู้เลียวว่าชำระตัวเองอย่างสิ่งเหล่านี้เขาก็อยู่ตามสภาพจิตใจังเราก็ร่อมเย็นเ่าพิจารณาการพิจารณาส่วนน่างกายอย่างนี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตัองเราก็เป็นวิหารธรรมประการหนึ่งคือมีความเย็นมีความสบายไม่บุ้งเฟอ้อเหอือดเหมไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตใจก็มีความสงบร่อมเย็นเพราะอาศัยการพิจารณาส่วนต่างๆของน่างกายซึ่งเป็นปัจจุบันเนะ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 เพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะถือเป็นหลักสําคัญในการถอดถอนพิเรนตัญหาสารอุปทานทั้งหลายออกได้ต้องสอนนี้ถนัดตาจะปักระมาฐานกระมาฐานมีหนังเป็นที่ห้าท่านึงคร่าเป็นต้นประการสังาะทั้งหมดรวมอยู่ในนี้ท่านึงสอนให้พิจารณา ผูกพิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอก็ไม่ตื่นเต้นไม่เห่อเหิมรู้ตามความจริงทั้งข้างหลอกข้างในเพราะสัมผาสเหมือนเหมือนกันกลัวผีกลัวปัด อ, อ่าจะกลัวที่ไหนผีที่ไหนมันมีนอกจากความคิดความตรุงของจิตมันหลอกตัวเอง<ม>ผีกับผีเนี่ยต่าช้าอยู่ในนี้ร่างกายของเรามันบรรจุอะไรเข้าไปไว้ไม่มีกี่ซากกี่สด สัตว์สี่ประเภทมันก็เข้าไปบรรจุว่ในป่าชา้าผีดิบอันนี้รูพี่อันนี้แล้วจะไปตื่นเต้นลหลงไหลไปอะไรก็กระป่าช้าที่ไหนอีกอืออกทางนี้ก็เดินเข้าไปเตาไฟเตาไฟมันเป็นที่เผาอะไรมั่งแล้วก็ดูพี่ครัวไฟเรานะั้นเราไม่เห็นกลัวซากผีภายนอกตัวซากกบซากเสยียบซากปาูซากปลาอะไรมันเต็มอยู่ในครัวไม่เห็นเป็ดไก่ไม่เห็นกลัว เอาเข้ามาบรรจุไว้ในที่นี่ฝังกันไว้ในที่นี่ก็ไม่เห็นกลัวนี่ก็ับภาพความเข้าใจของเรามันเฟลไปต่างๆที่จะให้เกิดเป็นภัยแก่ตนเองหนึ่งกลัวผีความกลัวมันก็เป็นภัยอันหนึ่งเป็นเครื่องบีบขั้นจิตใจให้รับความลำบากลำบนเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันก็ไม่กลัวยินได้คติอันดีด้วยวินาเนี่ยเยี่ยมป่าช้าทุกวันทุกวัน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 ท่านสอนกรรมฐานท่านสอนอย่างนี้ให้พิจณาอย่างนี้พิจณามากเชยในจิตยิ่งมีความกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับทะลุบุพพงไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสงาา่าผ่าเผยองอาจก้าหารอยู่ภายในจิตใจเวลาํนนานันจริงๆมีตามความจริงร่างกายของเรานี่พอกาห น, นดปั๊บเท่านั้นมันจะทะลุไปทันทีกันด มักจะร่างกายของสัตว์ของบุคคลภายนอกหรือไม่มางจะร่างอันไหนเหมื่อการพิจารณาของเรามีความตั้งนิคตนานแล้วมันจะพุ่งทะลุไปทะลุไปอย่างรวดเร็วหรืว่าได้อย่างใจมองเห็นสัตว์เห็นบุคคลนี้มันจะไม่มองเห็นธรรมดาของสัตว์ของบุคคลที่เป็นอยู่นั่นเลยมันจะมองเห็นแบบกรรมาฐานแบบที่ตนได้เคยพิจารณาแล้วอย่างไรนั่นแหละพระจักษภาริตใจพอกำหนดปั๊บ น, นี่มันจะวิ่งเข้าถึงจุดที่ตนเคยพิจารณาอย่างไรแล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภายในใจของตอนเองอย่างรวดเร็วนี่คือความํานาเราเขียนหนังสือทีแรกเขียนแล้วลบๆบแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวแล้วฟึ้นหัดอ่านแล้วลืมลืมแล้วอ่านเขียนแล้วลืมลืมแล้วเขียนอย่งนันไม่เป็นตนเป็นตัว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 นี่คือความคล่องแคล่วของสติปัญญาที่พิจานา ม, มาเป็นสติปัญญาที่เลี่ยมไกลามากสติปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่สังหารสายกิเลสมันเกาะขึ้นมาตั้งขึ้นมาอืเป็นภพเป็นชาติออกแม่แพ่ลูกแผ่หลานขึ้นภายในจิตใจของเรา ตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่นี่ภายใจิตใจของสัตว์โลกนี่เวลาลวเราเรียนอัดเรียนทำปฏิบัติทำแล้วก็ตั้งกองทัพขึ้นมาเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องรบฟันหันแหลกกันลงไปลงไปจนกระทั่งกองทัพกิเลสไม่ว่าลูกป่าล้านไม่ว่าปูยา่ย่าตายายของมันทําลายลงไปเป็นนอดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภายจใจิตใจภพชาติมันหมดไปเอง ความสุขไมตไ่ต้องเรียกหาที่ไหนเหมือ่อกิเลสตัวก่อเหตุให้เกิดความทุกข์ความทรมานมันสลายตัวลงไปมากน้อยความสุขก็เปิดขึ้นมากิเลสสลายตัวไปหมดความสุขก็เต็มตัวภายในจิตเพราะจิตนั้นไม่มีควา ม, มทุกข์เพราะกิเลสมาแย่งเอาไปกินหมดมขนทุกข์มาให้เราพอฆ่ากิเลสลงไปจนกระทั่งกิเลสตายหมดแล้ว ความสุขก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิท่านเรียกว่าปรามังสุขขังไง อ, อ, อะไรทีจะปรามังสุ ข, ขังก็คือจิตเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยอดอย่างเยี่ยมไม่มีอะไรจะสุขยิ่งกว่าจิตเด่นในโลกนี้คือเด่นจิตเป็นสุขเพราะความมือสุด ข, ของตนเพราะไม่มีอะไรมาแบ่งสันปันส่วนเอาไปเป็นธรรมล้วนๆธรรมโมปฏิโบก็หมายถึงคือความส ว, าสว่างสมัยแห่งธรรมก็หมายถึงจิตที่พ้นแล้วจาก สิ่งกดทวงนึกปกปิดกำบังทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่สว่างเต็มตัวภายในตัวเองนะธรรมะธรรมโมปาดีโปจะหมายถึงอะไรเป็นธรรมถ้ามหมายถึงจิตที่บริสุทธ์ล้วนๆเป็นธรรมตั้งแทงไม่มีอย่างอื่นเป็นที่หมายอันนี้รู้อยู่กับตัวจิประเภทนี้แหละ ท, ที่ที่กล่าวในในเบื้องต้นว่าถ้าเป็นน้ำก่อนหนึ่งใสสะอาดรสชาติก่อ กลมกลมจืดสนิทไม่มีที่ต้องตปหมดทางต้องติมันได้เป็นสภายุงอีกเนี่ลายมันออกสภพายุงภายในจิตใจมันมันเป็นน้ำนิ่งสงบรู้อยู่ยางนั้นอยู่ในครู้ ไหนก็สว่างสวัยเมียที่เคยพูดว่าถ้าว่าเป็นด้านวัตถุแล้วยกออกไปแข่งกับโลกลองดูสิโลกไหนในสามโลกฐานนี้จะมาแย่งชัยชนะไปได้ไม่มีแพ้กันอย่างา่ากราบว่าอย่างสนิทเพราะตาเห็นได้ชัดว่าอ๋อทาแท้เป็นอย่างนี้อ้าวโก็ได้ฟังชัดว่าทำท่านประกาศคุณภาพ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 พรายนั่นจงต้องกำดำกำขาวไปเช่นเดียวกับเกล้ากับท่านทั่วโลกทั่วทั้งสารแต่ตำหน้ก็ตำหน้ไม่ลงใครต้องการความถูกความวิเศษวิโสด้วยกันแต่เมื่อวิสัยไม่สามารถอาจรู้อาจเห็นได้มันก็จำเป็นต้องงมไปแต เ, เป็นธรรมดาเนี่ย mm. แต่เมื่อเราปฏิบัติกรไปแล้วมันก็ทราบอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะ อากาศถ้าคนอื่นเห็นแสดงคนอื่นเห็นไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่กับตัวตลอดเวลาอากาลิโกเนี่ยานวัฒน์ทำแพ้อยู่กับหัวใจเรานี่แหละอยู่กับผู้รู้นี้ไม่อยู่ที่ไหนแล้กกำหนดลงไปในจุดนี้อันใดที่มาเกี่ยวข้องโภพันกับธรรมชาตินี้ซึ่งทำให้มัวหมองไปพยายามแก้ไขพยายามปัดเป่าแยกแยะ ก, กันด้วยสติปัญญา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 มนูปุพพังขมาธรรมามนุษย์เศรษฐามนุษย์มายาใจเป็นใหญ่ใจจะเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจนะลงที่นี่ทำก็มาแล้วที่ใจที่อื่นไม่แล้วถ้าไม่ลงที่ใจนล้ไม่แล้วทํรมารู้ที่ใจเห็นที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจนะบริสุทธิ์ที่ใจนะหมดคำที่จะพูดต่อต่อไปเินมายุติหนุนปัญหาทั้งหมดที่ใจ อ่าวันนี้แสดงเป็นตอนนี้อ่าพอสมควร